เวนที่เอางัวเทียมอ่ะเอาม้าเทียมรู้จักไหมคะนี่มันชํางหมยรถเบนซ์ชื่หนึ่งผู้หญิงก็มาหน้าตาักน้ำาผู้หญิงไม่มีความรู้คาาชายไง น, นี้อวดรูอด้อวดดีว่าเดี๋ยวเป็นด็อกเตอร์เรียนมาจบเนี้ยไม่มีอีกแล้วตำลาเนี่ยใส่รถใส่เกวียน ม, มาต้นอยู่ในพุงไปแล้ว จริงรือคะแวแตอเลาเขบอกว่าจริงจะด แ, แต่เวลาบอกจริงไม่มีใครหนึ่งในตองอูพ้นจากดรีลามุกสิกกะผเท่านั้ น, น, นอย่างลิขะคบไม่มีใครเทียงผมจะไปเมืองผมเนี่ยใครจะเรียนรู้เถอะผมจริงหรือคะจริงแน่หรือคะแนลล่ลองดีเลยลองดีเลย ลองวิ่เลย้ลองวิว่วิวาดวิวาวิวาดนี้ทานกับเปลาเอามาเล่าใหม่ลองผูกบก็เอาปืนมาอะไรไใครมาทำอะไรยังิแ ม, ม่เเลยผู้หญิงก็บอกก็ดนะโดดเถอละโดดลงไปในบ่นบอเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าลไปไหิงแมเล ย, เ ย, มมเลยใครโดดโดดโ ด, ดโด ด, โดดลอวเขายิงโดดเลยโดดโตมไปเลยแหมผู้หญิงคนนี้แน่เลย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 อย่าไปว่าเขาดะเลยอย่าไปสนใจหน่อยได้ไหมไปเข้าสงฆ์เอยนงลาสิกรรีบไปเข้าซะแล้วได้มาแข่งกระสุงเวรุวันนะข้าวเส้เรามาหลวงจุมพรหรือลราจะการที่ห้าหรือเราแม่ขุนอิมหรือใช่เหรอเอาเข้าก่อนสิทีสูนเวรุวันไปเอาเข้าวสงฆรักคนสิ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 กินมามากแล้วกินมานานเนี่ยกินมอือจะเต็มทีทองอกินมอือก็อิ่ม ก, กันพุทธเจ้าลเอย่าไปว่าใครนั่งทุกขาดาลุธ น, นาทุกขาดาก็ไปโบนบานสางกาวเทวดาเทวดาวตามต้นหม้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 ปวดเนี่ยปวดไนหะปวดตายให้มันตายฝืนเชื่อดีได้ต่อีกครั้นึ่งจำมาเลยเพ่งสี้าเป็นอิสระเสรีภาพคือตัวเองชนะใจตัวเองได้แต่ชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วอิสระไม่ได้จำมาเลยราชมนตีจำมาเลยราชมนตียังไม่เป็นอิสระ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 มัวไปเข้าชงอยู่เยอะนี่้นแกนหินพอหาแล้วแต่พูดเฉพาะตรงนี้อย่าไปพูดถึงค้นแกนเดี๋ยวเขาจะดา่าคนทีเข้าชงเขาชอบนีนอบน่อย่างนี้เป็นชอบหลายคนจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ตามถ้าตามใจตัวเองเสียคนเอาดีไม่ได้เลยแต่มาถึงเขียงขึ้นมา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 อันนี้มโนพ่ามาเป็นยากรพูดแล้วพูดอีกนะจิตกันเทศไม่พักไม่ใช่นะโยบายอันนี้นะวันนี้ไม่อยากได้เลยใ้ค่ยิ่งห้ายิงได้แนะ่นอนหวัวงอดหมด ม, มาแล้วไม่หวัวงก็ไม่อดหมดมาเลยรวยกรรมาฐานทำให้มีฐานะดีทำให้รวยทำให้จิดเป็นกุศลทำให้ใจสบายเป็นปกติดีชนะแล้วซึ่งโลกมนุษย์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 นะโอวล่ า, านี่ตัวสําคัญจบไว้โบไม่รู้ทำบาปก็อาจเทเวะทําบุญก็อาจเทไวะทําชั่วก็อาจเทพไวะถึงเวลาเนี่ยกดแห่กรรมมาเลยโยมขบานอยู่ตรงนี้ถึงเวลาจะเอาโซ่ลากไปจะทําดีมีปัญญาจะร่อนที่จั ก, กรินเท ว, เวลาพื้นตานจะร่อนที่พญายนาคา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 ออไไนะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้วันนี้ไม่กองเองตอบไปรู้ได้อย่างไรต้องมีอะไรทุกอย่างต้องนัดหมายช่มจำมมนัดหมายมาเองไม่ได้นัตรงไหนอย่างไรขอแสดงชี้แจงไปตอบไม่ได้นะมนานัดหมายรู้ได้ไงเ่ อ, ออกไกเต้นให้ตรงหลายข้ออะไรยังบอกไม่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 เขาจะรู้เรื่องเหมือนการปัจจตางเวทะตับโพวิญญูหิตเข้าใจไหมเนี่ยจิตคน ร, ระดับเขาจะไม่รู้เลยเราจะบบาว่านี่เป็นพรารหันไม่มีพระนารหันแล้วสมัยนี้แต่จะรู้ว่าไงเนี่ยพระที่ น, นั่งดวมทั้งหมดเนี่ยเป็นพนระหลานจะรู้ได้อย่างไรเข้าใจไห ไม่ใช่หมายความว่าองค์ไหนเป็นนะแล้วมาเลือกมาถามตอบมาสอบถามด้วยหนังสือไม่ใช่สอบทั้งจิตเขาจะรู้เรื่องกันเองแล้วอกประการที่สามคนที่สาเร็จมาโคนหรือตั้งไม่ต้องถึงจะเป็นพระล้านแหมะปโสดาบันเบื้องตน้นย่างย่ายังมีราคะมากหลายยังมีการมาคุณเยอะเหมือนกันทุกคน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 ักกายทิฏฐิวิจิติิชาร์ศิลปะรามากไม่ม hmm. <was> ีสามข้อแต่เจข้อยงดุครบไม่มีสามข้อนันอกนั้นครบเลยเหมือนกันอย่างเราธรรมดาเรียกพระโสดาบันเรียกพระโสดาบันเท่านั้นในวันนี้จะพูดรละดับเหการมาสมัยพุทธกาลให้ฟังจะได้เข้าใจกับยุคมายวนี้ไม่เหมือนกันแล้ว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 กายเวชนาจิตทำอย่างไรกายต้องยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขามี1ิสองข้อยืนเดินนั่งนอนนี่ฉันโดดแล้วยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขาเลี้ยวซ้ายแลก็แลขวาคู่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 แล้วทำยังไงสักหนึ่งอาว่าสปายะสองอาหารสปายะสามบุคลกรสปายะสี่ธรรมะสปายะมีสีข้ออาว่าสปายะคืออะไรที่สะดวกสบายเช่นศูนย์วิวันป่าภัยเนี่ยสะดวกสบายอาหารสปายะไหมมีกระเพรากินกันไหม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 พ ร, ระมายุภาษาก็จเจริญพรเจริญพรถวายชักงานรรพ์ถ้าจะามีสุขเอาเงินมาถวายจะมามากๆก็มีสุขญาติท้าพีพิโยเวลาถวายมากก็ให้พรมากถวายน้อยให้พร น, น้อยแบบนี้เลยเหมือนเหมาะกันเนยกับสมัยยุคโลกาภิวัตน์่าจะเอาโลกุตละธรรมมาแก้ไขปัญหาชีวิตจึงจะถูกต้องเข้าใจไหมเนี่ย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 มีใครพูดในครั้งไหมจะได้จําไว้เนี่ยอเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเห็นพระท่านเนี่ยน้ําเดือดน้ำเหลืองเต็มตัวถ้าท่านลูกไม่หวานอุจลาก็เต็มเราบ้างเขามัาง่งลองคิดดูสิลองวาดภาพดูบัางสิถ้าใครเอาภาพให้เปลี่ยนนะอาอบน้าให้เราเนี่ยจะสบายไหมนี่ที่เจ้าสอนตุง